4. ภิกสุสาวกผู้เป็นมชิมะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกสุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 5. ภิกษสุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกสุนีสาวิกาผู้เป็นเทรีของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 6. ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเทเรของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู night, <พ25 S 2> ้เป <üllt ór> ็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 7. ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมแต่ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 8. ภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ต่อุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นครหัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 9. ก้าอุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นครหัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาส u, i, ิกสาวกของศาสดานั้นเป็นครหัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 10. บอุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นเครหัด นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นครหัสนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ไม่เฉียบแหลม 11. อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นครหัสนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลมแต่อุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นครหัสนุ่งขาวห่มขาว บริโภคกามเป็นผู้ไม่เฉียบแหลมสิบสองอุบาสิกาสาวิกาของศาสดานั้นเป็นครหัสนุ่งขาวห่วมขาวบริโภคกามเป็นผู้เฉียบแหลมแต่พรหมจรรย์ของศาสดานั้นมีได้บริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สิบสามพระม a ของศาสดานั้นบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่พระม a j a ์ น, นั้นไม่บรรลุ ถ, ถึงความเลิศด้วยลาบและความเลิศด้วยยศพระม a j a ์ น, นั้นย่อมไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นอย่างนี้จุนทะเมื่อใดพระม a j a ์ประกอบด้วยองค์เหล่านี้คือศาสดาเป็นผู้มั่นคงมีประสบการณ์มากบวชมานาน มีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากและภิกษุสาวกผู้เป็นเทระของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัทธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมมีปฏิหารปราปรปบภาวะที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบทำได้ภิกษุสาวกผู้เป็นมชิมะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลม ภิกษุสาวกผู้เป็นนวกะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเทรีของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวกาะของศาสดานั้นเป็นผู้เฉียบแหลมอุบาสกสาวกของศาสดานั้นเป็นครหัหนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้เฉียบแหลม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 ยะก็บัดนี้เราเป็นศาสดาผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกทำอันเรากล่าวไว้ดีประกาศไว้ดีเป็นเครื่องนําออกจากทุกได้เป็นไปนเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่เราผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้เราทําให้สาวกทั้งหลายเข้าใจอัฏฐะในสัจธรรมทั้งธรรมพรหมจรรย์ที่บริบูรณ์ครบถ้วนให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจง่าย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 บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะอาจกล่าวพระสัตธรรมได้โดยชอบอาจแสดงธรรมให้มีปฏิหารปราปรพว่าที่เคยขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้บัดนี้มีภิกษุสาวกผู้เป็นมัจฉิมะของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุสาวกผู้เป็นนวิกะของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นเทรีของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้ มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นมัชฌิมาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีภิกษุณีสาวิกาผู้เป็นนวากาของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสกสาวกผู้เป็นเครหัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสกสาวกผู้เป็นเครหัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้ มีอุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นครหัดนุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์ของเราเป็นผู้เฉียบแหลมบัดนี้มีอุบาสิกาสาวิกาผู้เป็นครหัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคการของเราเป็นผู้เฉียบแหลมจุนทะบัดนี้พรหมจรรย์ของเราบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีจนประกาศได้ดีทั่วถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จุนะเท่าที่มีศาสดาเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เรายังไม่เห็นศาสดาอื่นแม้ผู้เดียวที่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาบและความเลิศด้วยยศเหมือนเราเลยอันหนึ่งเท่าที่มีสง์หรือคณะเกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เรายังไม่เห็นสง์หรือคณะอื่นแม้หมู่เดียวที่บรรลุถึงความเลิศด้วยลาบและความเลิศด้วยยศเหมือนภิกษุสง์เลย บุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพรหมจรรย์นั้นใดว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้วบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงพรหมจรรย์นี้นั่นแลวว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่ง ศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้วจุนทะทราบว่าอุทกดาบทรามบุตรกล่าวข้อความอย่างนี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าบุคคลเห็นใบของมตดโกนที่ลับตีแล้วแต่ไม่เห็นคมของมตรโกนนั้นจุนทะ อุทกดาบทรามบุตรจึงกล่าวข้อความนี้ว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นข้อความที่อุทกดาบทรามบุตรกล่าวนั้นเป็นธรรมอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เป็นของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะหมายเอาเฉพาะมิตรโกนเท่านั้นจุนทะถ้าบุคคลเมื่อกล่าวไม่ถูกต้องพึงกล่าวถึงคานั้นใดว่า บุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนี้นั้นนั่นแหลว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็น to to will ถามว่าบุคคลเห็นอะไรอยู่ชื่อว่าไม่เห็นตอบว่าพรหมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างบริบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างไม่หย่อนไม่ยิ่งศาสดากล่าวไว้ดีบริบูรณ์ครบถ้วนศาสดาประกาศไว้ดีแล้ว ด้วยเหตุดังนี้แหลบุคคลจึงชื่อว่าเห็นพรหมจร์นั้นในพรหมจร์นี้ถ้าบุคคลถอนสิ่งนี้ออกไปด้วยคิดว่าพรหมจร์นั้นจะพึงบริสุทธิ์กว่าด้วยวิธีการนี้ด้วยเหตุดังนี้แหลบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรหมจร์นั้นในพรหมจร์นี้ถ้าบุคคลเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปด้วยคิดว่าพรหมจร์นั้นจะพึงบริบูรณ์ขึ้นด้วยวิธีการนี้ ด้วยเหตุดังนี้แลบุคคลจึงชื่อว่าไม่เห็นพรมจรรย์นั้นนี้เรียกว่าบุคคลเห็นอยู่ชื่อว่าไม่เห็นจุนทะบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคำนั้นใดว่าพรมจมรยาารย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างและถึงศาสดาประกาศไว้ดีแล้วบุคคลเมื่อกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงคานี้นั่นแลว่าพรมจรรย์สมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่าง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 เพราะเหตุนั้นทมทั้งหลายที่เราแสดงไว้แล้วเพื่อความรู้ยิ่งบริษัททั้งหมดนั้นแหละพึงพร้อมเพรียงกันประชุมสอบทานอัฏฐกับอัฏฐพยัญชนะกับพยัญชนะในธรรมนั้นและพึงสังขยนากันไม่พึงวิวาทกันเพื่อให้พรหมจันทร์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำทั้งหลายเราแสดงไว้เพื่อความรู้ยิ่งบริษัททั้งหมดนั่นแหละพึงพร้อมเพรียงกันประชุมสอบทานอัฏฐกับอัฏฐะพยัญชนะกับพยัญชนะและพึงสังขยานากันไม่พึงวิวาทกันเพื่อให้พรหมจันทร์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกือก้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคืออะไรคือ 1. สติปทานส 2. สองสมมปรปทานส 3. อิทิบาท4 4. อินรีย์าหพละห้าหชผชงเจ็เจอริยมรรตมีองค์8จุนทะธรรมทั้งหลายนี่แล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 เพื่อสุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิธีอธิบายให้เข้าใจจุนทะบรรดาเธอเหล่านั้นซึ่งพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันศึกษาอยู่เพื่อนพรหมจารีรูปหนึ่งพึงกล่าวทมในสง์ ในการกล่าวทำนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลรับอัถถานั้นมาและผิดและยกพยัญชนะมาผิดเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านเพื่อนโพรมจารีนั้นครั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนโพรมจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุระหว่างพยัญชนะเหล่านี้กับพยัญชนะเหล่านั้น พยัญชนะเหล่าไหนสมควรแก่อัถะนี้มากกวา่าระหว่างอัถานี้กับอัถานั้นอัถาไหนสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกวา่าถ้าเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพยัญชนะเหล่านี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่อัถานี้มากกว่าอัถานี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่า เธอทั้งหลายไม่พึงชมเชยไม่พึงต่อว่าเพื่อนโพรมจารีรูปนั้นครั้นไม่ชมเชยไม่ต่อว่าแล้วเพึ่ออธิบายให้เพื่อนโพรมจารีรูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใครโครวญอัฏฐานั้นและพยัญชนะเหล่านั้นจุนทะถ้าเพื่อนโพรมจารีแม่รูปอื่นพึงกล่าวธรรมในสงฆ์ในการกล่าวธรรมนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แหลรับอัถมาผิด แต่ยกพยัญชนะมาถูกเธอทั้งหลายไม่พึงชื่นชมไม่พึงคัดค้านเพื่อนพรหมจรีรูปนั้นครั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุระหว่างอัฏฐเนี้อกับอัฏฐานั้นอาานัถฐไหนสมควรแก่พยัญชนะเหล่านี้มากกว่าถ้าเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าอัถฐนี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้น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 พยัญชนะเหล่านี้ที่ผมพูดแล้วเท่านั้นสมควรแก่อัตตนี้มากกว่าเธอทั้งหลายไม่พึงชมเชยไม่พึงต่อว่าเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นครั้นไม่ชมเชยไม่ต่อว่าแล้วพึงอธิบายให้เพื่อนพรหมจรีรูปนั้นเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อใครครวนพยัญชนะเหล่านั้นจุนทะถ้าเพื่อนพรหมจารีแม่รูปอื่นพึงกล่าวทาในสง ในการกล่าวธรรมนั้นหากเธอทั้งหลายมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลรับอัถะมาถูกและยกพยัญชนะมาถูกเธอทั้งหลายพึงชื่นชมพึงอนุโมทนาภาสิทธิของเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นว่าดีแล้วครั้นชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธของเพื่อนพรหมจารีรูปนั้นว่าดีแล้วพึงกล่าวกับเพื่อนพรหมจรีรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุ เป็นลาบของพวกเราพวกเราได้ดีแล้วที่พวกเราพบเพื่อนปรมจารีเช่นท่านผู้มีอายุผู้เข้าถึงอัถะผู้เข้าถึงพยัญชนะอย่างนี้เหตุแห่งการอนุญาตปัจจัยจุนทะ เราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันเท่านั้นก็หามิได้และแสดงธรรมเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตเท่านั้นก็หามิได้แต่เราแสดงธรรมเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันและเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นเราอนุญาตจีวรนแกเธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อน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 ความไม่มีโทษและความอยู่ผาสุขจกมีแก่เราด้วยประการชนี้เราอนุญาตเสนาสนะแก่เธอทั้งหลายก็เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากรดูและเพื่อยินดีในการหลีกเร้นเราอนุญาตกีฬานปัจัยเพสัตบริหารแก่เธอทั้งหลาย ก็เพียงเพื่อบันเทาเวทนาอันเนื่องมาจากอ า, าพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความไม่ลำบากเป็นอย่างยิ่งสุขันลิกานุยโยคจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญาดิรัีปริภาชกพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า พวกสมณะสักยบุตรยึดถือสุขันลิกานุโยกอยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญาเดรถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสุขันลิกานุโยกเป็นอย่างไรเพราะสุขันลิกานุโยคมีมากมายหลายอย่างต่างๆกันจุนทะสุขันลิกานุโยคสี่ประการนี้เป็นธรรมต่ำซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนมิใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระ ง, งับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานสุขันธิการนุโยกสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. นคนพานบางคนในโลกนี้ฆ่าสัตว์ครั้นฆ่าแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเอิบอิ่ม นี้เป็นสุขคริการุโยคประการที่1 2. คนพานบางคนในโลกนี้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ครั้นถือเอาแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเ อ, อิบอิ่มนี้เป็นสุคาลิการุโยคประการที่สองคนพานบางคนในโลกนี้พูดเท็จครั้นพูดเท็จแล้วบำรุงตนเองให้เป็นสุขให้มีความเ อ, อิบอิ่มนี้เป็น สุขานิการนุโยคประการที่ส 4. คนพานบางคนในโลกนี้เ อ, อิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยการมาคุณหประการนี้เป็นสุขานิการนุโยคประการที่4จุนทะสุขานิการนุโยค4ประการนี้เป็นธรรมต่ำสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญะเดรธีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยบุตรยึดถือสุ ข, ขันลิกานุโยคสี่ประการนี้อยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวกับอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนี้เลย อัญญาเดรธีปริภาชกเหล่านั้นเมื่อกล่าวถึงเธอทั้งหลายก็ไม่กล่าวให้ถูกต้องกลับกล่าวตู่ด้วยคําที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงจุนทะสุขันเลกาหนุโยคสี่ประการนี้เป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานสุขันเลกาหนุโยคสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามและอกุยสัธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้เป็นสุขานิยกรณิโยคประการที่หนึ่งสเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่นี้เป็นสุขานิกานิโยคประการที่สองสเพราะปิติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่นี้เป็นสุขคัลิกานุโยคประการที่ส 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัต ด, ดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทัฌานอยู่นี้เป็นสุขคัิกานุโยคประการที่สี่สุขคันลิกานุโยค4ประการนี้ เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรถีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยบุตรยึดถือสุขคันลีกานุโยกีประการนี้อยู่เธอทั้งหลายพึงกล่าวกับอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ อัญญาเดรธีปริพาชกเหล่านั้นเมื่อกล่าวถึงเธอทั้งหลายก็กล่าวได้ถูกต้องมิใช่กล่าวตู่เธอทั้งหลายด้วยคำที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าด้วยอนิสงของสุขานิการุโยกจุนทะ เป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรถีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็ท่านทั้งหลายยึดถือสุขานิการุโยคสี่ประการนี้อยู่พึงหวังผลได้เท่าไหร่พึงหวังอนิสงส์ได้เท่าไหร่เธอทั้งหลายควรกล่าวอย่างนี้กับอัญญาเดรถีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพวกเรายึดถือสุขานิการุโยคสีประการนี้อยู่พึงหวังได้ผลสี่ประการพึงหวังได้อนิสงส์สี่ประการ ผลสประการอนิสงส์สี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้านี้เป็นผลประการที่หนึ่งอนิสงส์ประการที่หนึ่งสพิสุเป็นพระสกะทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบาง มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้นี้เป็นผลประการที่สองอา น, นิสงส์ประการที่สอง 3... ภิกษุเป็นโอปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ํา5ประการสิ้นไปปรินิพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้เป็นผลประการที่3อา น, นิสงส์ประการที่ส 4... ภิกษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ อาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลประการที่สี่อนิสงส์ประการที่สี่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเรายึดถือสุขันลิกานิโยคสี่ประการนี้อยู่พึงหวังได้ผลสี่ประการพึงหวังได้ออนิสงส์สี่ประการนี้แล หน้าที่ม่อาจเป็นไปได้สําหรับพระขีณาสพจุนทะเป็นไปได้ที่พวกัญญะเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกสมณะสักยบุตรมีหลักการไม่แน่นอนอยู่เธอทั้งหลายควรกล่าวอย่างนี้กับัญญะเดรธีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายหลักการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงแสดงไว้บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวกเป็นหลักการที่เหล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตมีอยู่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเสาเขื่อนหรือเสาเหล็กมีรากลึกปักไว้ดีแล้วไม่วันไว้ไม่สั่นสะเทือนแม้ฉันใดหลักการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงไว้บัญญัติไว้แก่เหล่าสาวก เป็นหลักการที่เหล่าสาวกต้องไม่ล่วงละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกันภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุ ป, ประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะ9้าประการคือ 1. ภิกษุขีนาศพ ไม่อาจจงใจปรงชีวิตสัตว์ 2. ภิกษุขีนาศกไม่อาจถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้โดยอาการขโมย3ภิกษุขีนาศกไม่อาจเสพเมถุนธรรม4ภิกษุขีนาศกไม่อาจพูดเท็จทั้งที่รู้5ภิกษุขีนาศกไม่อาจสะสมบริโภคกามเหมือนเมื่อเป็นครหัดหกพิสุคีนาศกไม่อาจลำเอียงเพราะชอบ เจ็ดพิสุขีนาศบไม่อาจลำเอียงเพราะฉัง 8. ภิพิสุขีนาศบไม่อาจลำเอียงเพราะหลง 9. ภิกษิสุขีนาศบไม่อาจลำเอียงเพราะกลัวพิกสุใดเป็นพระอรหันตขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุ ป, ประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุนั้นไม่อาจประพฤติละเมิดฐานะก้าวประการนี้แลปัญหาพยากรณจุนทะเป็นไปได้ที่ผู้อัญญะเดรถีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคโดมปรารบอดิตการยาวนาน แล้วบัญญัติญาณทัศนะอันไม่มีขอบเขตไว้แต่หาได้ปรารภอนาคตการยาวนานแล้วบัญญัติญาณทัศนะอันไม่มีขอบเขตไว้ไม่ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุไรอัญญาเดรธีปริภาชคเหล่านั้นเข้าใจญาณทัศนะที่มีความหมายอย่างหนึ่งว่าทรงบัญญัติรวมเข้ากับญาณทัศนะที่มีความหมายอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนโง่ไม่เฉียบแหลมฉะนั้น ตถาคตมีสตานุสาริยานปรารภอดีตกานยาวนานได้คือตถาคตระลึกได้ตลอดขอบเขตเท่าที่ประสงค์และตะถาคตมียานที่เกิดจากการตรัสรู้ปรารภอนาคตกานยาวนานได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแม้ถ้าเรื่องอดีตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตไม่พยากรณ์เรื่องอดีตนั้น ถ้าแม้เรื่องอดีตเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้นถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรณ์เรื่องอนาคตนั้น ถ้าแม้เรื่องอนาคตเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรปัญหานั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรเรื่องปัจจุบันนั้นถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ตถาคตก็ไม่พยากรเรื่องปัจจุบันนั้น ถ้าแม้เรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องจริงแท้ทั้งประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นตถาคตก็รู้จักการที่จะพยากรณ์ปัญหานั้นจุนทะด้วยเหตุนี้เพราะตถาคตเป็นกาลวาทีภูตวาทีอัถวาทีธรรมวาทีวินยะวาทีในธรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคต เพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์บรรลุสแสวงหาตรองตามด้วยใจทั้งหมดฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพนธธาตุในราตรีใดในระหว่างนี้ย่อมพาสิทธ์กล่าวแสดงคําใดคํานั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทําอย่างนั้นทําอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นตถาคตกล่าวอย่างใดก็ทําอย่างนั้นทําอย่างใดก็กล่าวอย่างนั้นด้วยประการศนี้ ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคตเพราะตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มเหงได้เห็นทองแท้เผยแผ่อํานาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกว่าตถาคต ที่ไม่ทรงพยากรณ์จุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรถีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญเดรถีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้แม่อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงคระนั้นหรือเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญาเรธีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคมีได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีก นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรถีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญาเดรถีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปได้ที่พวกอัญญเดรธีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงกระนั้นหรือเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญะเดรธีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงพยากรณ์ไว้แม้อย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรธีปริพาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรพระสมณโคดมจึงไม่ทรงพยากรณ์เรื่องนั้นเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญเดรธีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่า เพราะเรื่องนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ใช่จุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายไม่เป็น main, ไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื harmonic, <time> exactly ่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตัสรุไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ได้ทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว เรื่องที่ทรงพยากรณจุนทะเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรถีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็พระสมณโคโดมทรงพยากรณ์เรื่องอะไรเล่าเธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับอัญญาเดรถีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณว่านิทุกพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณว่านิทุกขสมุทยัย พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่านี้ทุกขนิโรธพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่านี้ทุกขนิโรธคามิหนีปฏิปทาเป็นไปได้ที่พวกอัญญาเดรธีปริภาชกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรพระสมณโคดมจึงทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว้เธอทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้กับพวกอัญญะเดรธีปริภาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นว่าเพราะเรื่องนั้นประกอบด้วยประโยชน์ ประกอบด้วยธรรมเป็นจุดเริ่มต้นของพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรณ์เรื่องนั้นไว้ ทินิสัยที่สหรคตด้วยขันส่วนอดีตจุนทะเราได้พยากรณ์ทิฐินิสัยที่สหรคตด้วยขั ovat, นส่วนอดีตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลายเราได้พยากรณ์ทิฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันส่วนอนาคตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลายเราได้พยากรณ์ทิ่ทินิสัยที่สรคตด้วยขันส่วนอดีตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์คืออะไรคือ 1. มีสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมีสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสามมีสมณพราหมณ์ผู้หนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกทั้งเที่ยงและไม่เที่ยง นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมีสมณพรามณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกจะว่าเที่ยงก็มิใช่จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงหมีสมณพราหมณ์้อกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงห มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตาและโลกมีผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงยางอื่นไม่จริง7มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตาและโลกมีทั้งตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงยังอื่นไม่จริง 8. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตาและโลกเกิดขึ้นได้เองจะว่าตนเองเป็นตัวการก็มิใช่จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสิบ มีสมณพราหมูพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์ไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 11. มีสมณพราหมูพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์ทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 12. มีสมณพราหม์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุก จะว่าเที่ยงก็มิใช่จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง Belgian> 13. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์มีตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 14. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง